พระสงฆ์เนี่ยค่จะต้องอประทับปีนามาดาค่บจํ า, จาเป็นหรือไม่จะต้องอประทับด้วยปัจจัยสี่เท่านั้นและถ้าเป็นเงินพระท่านจะต้องอ้าบัตรหรือไม่เพืเอาเงินนี้ไปประมับเอาเงิน<ม> เ, <อ>เอาเงินของใครอ่ะม่บอกเลยคือคือพรเนี่จะไปเรื่องเรื่องเงินก็ไม่ควรกระท่านอยู่เลยถ้าพระไปจากเงินเอาเงินไปให้พ่อให้แม่เงินไม่ไ ม, ไม่ถูกใหญ่เลยทีน ฉะนั้นถ้าดูแลพ่อแม่ก็ดูแลได้อาหารนะอาหารอะไรต่างๆก็ดูแลบินตบากมาดูแลได้พระ อ, องค์ก็ทรงอนุญาตทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าถ้าเรียมารู้จักพระที่ประพฤติคุณความดีไว้ทั้งหลายญาติโยมที่รู้จักไปช่วยกันเองนะไม่ต้องไปคำวนเลยขอให้ปฏิบัติในศีลนะ ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่ในกรอบพระธรรมคำสอนผู้เจ้าเถอะผู้เจ้าดูแลด้วยและดูแลพ่อแม่ให้ด้วยอันนี้เป็นเป็นไปอย่างนั้นจริงๆท่าที่มาสังเกตมาแต่ละองค์จะขอให้ท่านปฏิบัติในพระธรรมคําสอนเถอะไม่ต้องอะไรหลอกเลือกตรงนั้นแต่ถ้าถามบอกว่าเราจะไปหากิจที่มลขอรับเงินมาแล้วก็ไปดูแลพ่อแม่นนไม่ควรเลยทําให้พ่อแม่ต้องได้บาปแล้วก็คอจะตกนรกกันไปเป็นเดียวเป็นเนียวนะ อย น, นี้ก็จะเสียหายไปเลยนะ น, นี่ตอบตรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยคือประเด็นตรงนั้นก็อย่าไปทําเลยใช่ไหมเบียดเบียนตัวเองพระพุทธศาสนาสังเกต ด, ดูนะพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาพระองค์เนี่ยนะพระองค์จะมีอัธยาสัยบอกว่าอะไรที่จะนําภัยใหญ่ความเดือดร้อนมาสู่ตนเองในอนาคตจะไม่ทําเด็ดขาดใช่ไหมถ้ารู้ว่าการกระทําเช่นนี้จะทํา จะนำภัยใหญ่และความเดือดร้อนมาเบียดเบียนกระแสะชีวิตของเราโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เดิแล้วก็อย่าทามเพราะเพราะเราจะต้องเข้าใจคำสอนเวทีจ้าและปฏิบัติตามคำสอนชีวิตเนี่ยนะที่สุดก็คือตายนะฉะนั้นถ้าจะตายก็ไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่ควรให้พ่อให้แม่คือศรัทธาที่มั่นคงในพระราตนตรัยคือศีลเป็นต้นนะถ้าท่านตายไปแล้วท่านจะได้ดีกว่าเดิม ขอเล่าเรื่องหนึ่งนะมีพระเถระรูปหนึ่งนะเออท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลยนะแต่ไม่ใช่ประเทศเรานะเออคนก็คนก็เอาของไปให้ท่านถวายต่า ง, งท่านไม่เคยเอาของที่เป็นของสงของอะไรต่างๆไปให้พ่อแม่เลยคนก็พากันตำหนิท่านใช่หมโอ้โหทำไมได้ส ก, การะกราํา บ, บุญหมดแต่ทำไมไม่ให้พ่อให้แม่อะไรต่างๆนีน่คือของ ก็ยอมไม่ได้ให้ส่วนตัวเลยใช่ไหมท่าก็าถวายสังฆะเนี่ยไปให้ได้ยังไงท่านก็อย่างนั้นไปเสร็จแต่ท่านก็ให้ปฏิบัติในบ้านก็เป็นกระตอ้อเก่ า, กาๆอย่างนี้ก็เป็นงั้นแต่ท่านก็ไปดูแลตลอดอย่างเงี้ยเห็นไหมที่สุดจริงๆพอคนมาสืบรู้ความจริงมาโอ้ท่านปฏิบัติในพระวินยัยในคําสอนของพระเจ้านี่มายาหลังก็คนก็ดูแลเต็มเลยอย่างเงี้นะแท น, นคนที่ คนที่ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของสาวกพุทธยาหรือหรือพระธรรมของพุทธยาเขาจะไปดูแลท่านถ้าไม่ดูแลก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหม